ข้านอมน้อมต่อคุณพระรัตนตรัข้าราชาเพื่อนสถามิกทุกท่านจเจริญธรรมแม่ชีและญาติธรรมทุกท่านนั่งตามสบายเนา ะ, ะเราก็มาไปบัติธรรมกันนะครา้ น, นี้เราส่วนหนึ่งเรารู้ไม่ว่าเราไปบัติธรรมไปทําไมนในพุทธศาสนานี้มีคําสอนมากมายนะอย่างที่กล่าวกันว่า8ปดหมืนสี่พันระธรรมขันธ อันนี้นะถ้าเร า, เาหาประเด็นจริงๆไม่เจอว่าในพุทธสถานนี้เก่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราก็จะทําให้เราอ า, อาจจะไม่ได้จับประเด็นได้จริงๆนะเพราะว่ามีมากมายนะแต่ถ้าโดยสรุปแล้วคําสอนของพระเจ้านี่แยกออกเป็นแค่2ข้อเท่านั้นเองคือข้อแรกให้เรารู้จักทุกข์นะข้อที่2ก็คือให้เราไปบัติเพื่อความพ้นทุกข์นั้นนะอันนี้ทั้งหมดก็มีอยู่แค่นี้เท่านั้นเองนะไม่ได้มีอะไรเยอะไปกว่านี้เลยนะ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถกลับมารู้จักไม่ว่าเรามีความทุกข์อยู่นะถ้าเรารู้จักทุกข์แล้วเนี่ยเราจะได้ออกจากความทุกข์ได้แต่ถ้าเราไม่รู้จักความทุกข์เราก็ไม่ดิ้นรนออกจากความทุกข์นะแล้วก็ความทุกข์นี้ก็ไม่ใช่มีเฉพาะในชาตินี้ชาติดเดียวนะมันก็ต้องนำเราไปสวยความทุกข์ในภพชาติต่างๆนับไม่ถ้วนอีก เพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญว่าเรารู้จักความทุกข์ไหมนะเมื่อก่อนก็เคยชวนให้คนมาปฏิบัติธรรมเขาก็ถามว่าจะปฏิบัติไปทําไมก็บอกว่าปฏิบัติแล้วความทุกข์ก็จะน้อยลงก็าบอกว่าเขาก็ไม่มีความทุกข์อะไรเลยนะเขาก็ไม่มาปฏิบัติธรรมกันนะก็คือนคนส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้กันนะ ก, ก็ไม่มีความทุกข์อะไรเพราะคิดว่าความทุกข์นี่เป็นสิ่งที่มันต้องใหญ่โตนะเป็นความพัดภาคสูญเสียที่ใหญ่โต ตั้อย่างหนึ่งนะเราก็เป็นความทุกข์จริงๆเขาจึงเห็นว่าเป็นความทุกข์แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะความทุกข์นั้นในจริงๆแล้วเราเห็นหรือเปล่านะตรงนี้มันประเด็นสําคัญมากกว่าความทุกข์นั้นเราก็ต้องเห็นว่ามันมีอยู่ที่ไหนนะก็มีอยู่ที่กายกับใจเราเท่านั้นเองนะตัวเราเนี่ยก็มีแค่กายกับใจเพราะฉะความทุกข์ก็เกิดที่กายและใจเราเท่านั้นเองอยู่ว่าเราจะเห็นเขาไหมนะตอนนี้บางท่านเริ่มเห็นความทุกข์หรือ ย, ยังมาอาจจะนั่งนาน เห็นความปวดเมื่อยไหมนะหรือว่าอากาศหนาวาเห็นความทุกข์ในตรงนี้ไหมบางท่านอาจจะเริ่มง่วงนอนแล้วนะเห็นไหมความทุกข์เกิดขึ้นนะบางท่านาหิวนะอเห็นไหมความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยตรงนี้มันเราสามารถสัมผัสได้นะว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นมาแต่เราเห็นมันไหมใช่ไหมความทุกข์กายนั้นนะเราอย่างเมื่อกี้ได้เคยอาจจะสวดมนต์ธรรมชาติมาแล้วว่าทุกข์เพราะอะไรนะอ ชาติพิทุขาความเกิดก็เป็นทุกข์ชาลาพิทุกขาความแก่ก็เป็นทุกข์มรณปพิทุกขังความตายก็เป็นทุกข์โศกะปิลเทวทุกขโทมนัสุปายาสาพิทุกขาความโศกความรําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์การประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์การพลัดพากจากสิ่งที่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นๆก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุบทานขันทั้ง5้าเป็นตัวทุกข์เห็นไหมเนี่พระพุทธเจ้าตัดด้วยนะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่มันเป็นความทุกข์ประจําสังขารเราเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เนะมอเกิดมาแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่นอนนะหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่คือความทุกข์แล้วนะความโศกต่างๆความเศร้านะการพัดพลาด ก, นะการประสบสิ่งที่เราไม่ชอบ ต่างๆเหล่านี้ปานาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นทุกทั้งนั้นนะแล้วก็ว่ า, รายรยอประทานขันทั้งหเป็นตัวทุกก็คือกายและใจนี่แหละมันเป็นตัวทุกนะตรงนี้เราเห็นไหมนะจนมีการกล่าวว่าจริงๆแล้วนะความทุกเท่านั้นนะมีแต่ความทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ละทุกเท่านั้นที่ดับไปนะตรงเนี้เราสามารถที่จะเห็นตรงนี้ไหมว่าความทุกขเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนะ ถ้าเราสามารถเห็นตรงนี้นแสดงว่าเราเริ่มที่จะเข้าใจธรรมะแล้วนะว่าความทุกข์ทั้งนั้นเองนะมันมีเกิดขึ้นในทางกายเนี่ยแหละแต่ความทุกข์ทางกายนี้นะมันมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเราแก้ไขไม่ได้นะทุกข์ทางกายแก้ไขไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันแค่บรรเทาเท่ า, ทานั้นเองนะอย่างเช่นเกิดกาเจ็บตายเราก็หนีไม่พ้นที่ ม, มันแก้ไม่ได้นะหรือความทุกข์ริจจอมาทีา่ว่ามาแล้วนั่นแหละเช่นเราปวดเมื่อยเดี๋ยวเราลุกขึ้นมาเดินมันก็หาย เรากลับมานั่งใหมนะ่ก็ต้องเปลี่ยนไปเช่นนี้เราจะเดินตลอดเวลาก็ไม่ได้หรือจะนั่งตลอดเวลาไม่ได้เป็นการแก้ทุกข์ต่างหากนะเขาเรียกว่าอ e ิบอดปิดบังทุกข์ยังมาอันนี้เป็นการแก้บรรเทาเท่ า, ทานั้นเองเนาะเราหิวข้าวเราไปทานมันก็หายหิ ว, วเดี๋ยวมันก็ต้องหิวใหม่เนี่ยก็ต้องบรรเทาไปเรื่อยๆนะหรือแม้ต่อากาศร้อนอากาศเย็นกันหนาวมันก็แค่มาแล้วเราก็บรรเทาเข้าไปเท่ า, า, ทานั้นเองเลยไปแก้ท้าวดเนี่ยไม่ได้เลย เพราะนความทุกข์ทางกายเป็นสิ่งเราไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือว่าดับไปอย่างถาวรได้เนาะส่วนความทุกข์อีกประการหนึ่งก็คือความทุกข์ในทางใจนะความทุกข์ในทางใจนี้นะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเขาเกิดขึ้นมาเพราะว่าเรามีกิเลสในใจเราอยู่แล้วเช่นความโลภความโกรธความหลงนี่แหละมันก็นําความทุกข์มาให้เราเราปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนะมันก็เป็นความทุกข์นะมันก็เป็นความรักความชังต่างๆที่มันตามมานะ ความทุกข์ในทางใจเนี่ยมันรุนแรงยิ่งกว่าความทุกข์ในทางกายนะเพราะเป็นเห็ใ น, นให้คนไปฆ่าตัวตายได้ใช่ไหมบางคนก็ผิดหวังนะแฟนทิ้งไปก็ไปฆ่าตัวตายนะบางคนเป็นเศรษฐีเป็นหมื่นหมล้านนะขาดทุนไปพันพล้านก็ไปฆ่าตัวตายนะบางคนสอบได้เกรดสี่มาตลอดน ะ, อะต่อมาสอบได้เกรดสมจุดกว่าก็ไปฆ่าตัวตายนะทั้งๆ่านที่คนเหล่านี้ก็เป็นคนที่ร่างกายสมบูรณ์นะแต่ว่าไปฆ่าตัวตาย ก็เพราะว่าเขามีความทุกข์ใจนั่นเองนะความทุกข์ใจนี่เขาเกิดอยู่บ่อยๆอยู่เรื่อยๆนะแต่ก็น่าแปลกที่ว่าความทุกข์ใจนั้นนะเขามีความรุนแรงยิ่งกว่าความทุกข์ทางกายแต่สามารถที่จะดับได้อย่างถาวรนะก็คือสามารถทำให้ก็หมดได้อย่างถาวรเช่นพระอรหันต์นะพระอาหารหันตะ์ในท่านมีแต่ความทุกข์ทางกายแต่ความทุกข์ทางใจท่านไม่มีแล้วนะเพราะท่านสามารถดับทุกข์ในตรงนั้นได้อย่างถาวรนะ เพราะฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมนี้ก็คือหมายความว่าเราไม่ได้ดับทุกทางกายเนาะแต่ว่าเรามาดับทุกทางใจนะอันนี้เป็นประเด็นที่ว่าเรามาปฏิบัติธรรมเพราะเหตุอะไรเพราะว่าเราต้องการดับความทุกข์ในทางใจนั่นเองนะเมื่อดับทุกข์ในทางใจแล้วนะมันก็จะเบาลงความทุกข์ทางกายก็เป็นเรื่องของเขาว่าเราก็ไม่ได้ไปสนใจเขาก็เบาลงแล้วแต่การดับทุกข์ทางใจนี่แหละมันเป็นเหตุให้เราไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกนับภพนับชาติไม่ถ้วนนั่นนี่เป็นประเด็นที่สําคัญที่สุด อธิวาเราต้องมาเข้าใจกันนะคราวนี้เมื่อเรารู้ว่าเรามาปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ทางใจนี้แล้วนี่แนหะใช่ไหมาการปฏิบัตินั้นเพื่อดับทุกข์นี้ก็คือประเด็นที่สองว่าเราปฏิบัติเพื่อความออกจากความทุกข์อย่างไรนะเรารู้แล้วว่าเราต้องปฏิบัติแล้วเราปฏิบัติอย่างไรในสติปัฏฐานสี่นะที่พระพุทธในทรงประทานอาไว้ว่าการปฏิบัตินั้นก็มีอยู่4ประการก็คือนะก็คือกายา นะคือรู้ทางกายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็ธรมมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือนะให้มาศึกษานะมาค้นคว้ามารู้นะในสิ่งที่ว่าเป็นกายนะเวทนาจิตและธรรมนั่นเองนะคร น, นี้เนะ่เรามาศึกษาในระดับแรกนะก็คือในเรื่องกายนี่ก่อน ก็คือให้มารู้จักกายของเรานะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะกายเรานี้นะพระพุทธเจ้าก็เริ่มต้นขึ้นมาด้วยอาณาปณสติให้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะหายใจเข้าสั้นก็ให้รู้หายใจออกให้หายใจเข้ายาวก็ให้รู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกสั้นก็ให้รู้ว่าหายใจออกสั้นหายใจออกยาวก็ให้รู้ว่าหายใจออกยาวนั่นก็คือให้รู้ตามความเป็นจริงของลมหายใจนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนบว่าให้หายใจเข้าสั้น หรือหายใจเข้ายาวๆหายใจออกสั้นๆหรือให้หายใจออกยาวๆแต่ให้ทรงรู้ตามความเป็นจริงในในการอาการที่หายใจอย่าไปบังคับเขาให้รู้สบายๆนะตัวนี้ก็เป็นสติอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าอาณาปานาสตินะครั้ น, นี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าถ้าจิตเราไม่ละเอียดพอที่จะไปรู้ลมหายใจแล้วมันก็เป็นเรื่องเรื่องยากนะบางคนไินบัติแล้วมีความตึงเครียดมากกว่าเก่ามีความมึนหัวเพราะว่าจิตเราไม่ละเอียดพอ ในการมารู้ลมหายใจนะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครั้นนี้ถ้าเราจิตไม่ละเอียดพอขนาดนั้นเราจะมารู้อะไรแทนก็มารู้การเคลื่อนไหวของร่างกายนี่แหละพระพุทธเจ้าก็เลยบอกต่อมาว่าอภิกษุทั้งหลายนะอะผู้ใดที่อยืนเดินนั่งนอนอันนี้นะเป็นอีบทใหญ่ก็ให้รู้ไปนะอเขาเรียกว่าอีบทบรรัพระให้รู้การยืนเดินนั่งนอนนะครั้นนี้เราสงสัยเอเรา ยืนเดินนั่งนอนอยู่แล้วนี่ยใช่ไหมแต่นี่เป็นประเด็นว่าเรารู้ไหมนะสมัยหนึ่งพรามนะ์ก็มาถามพระเจ้าบอกว่านะพระองค์มีอะไรเป็นเครื่องอยู่นะพระเจ้าบอกว่าเรามีการยืนเดินนั่งนอนเป็นเครื่องอยู่นะพราหมณ์ก็เลยหัวเราะเยาะบอกว่าชาวบ้านเขาก็เขาก็ยืนเดินนั่งนอนกันนะพระเจ้าบอกไม่เหมือนกันนะ เมื่อยืนก็พระพเจ้าก็รู้ว่ายืนนะเวลานั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนนะเดินก็รู้ว่าเดินนะอันนี้มันต่างกันนะอ่าคือใครๆนี่ก็ยืนเดินนั่งนอนได้ทุกคนแต่ว่ารู้ไหมว่าขณะนี้เรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนนะเรารู้ชัดนะในการยืนเดินนั่งนอนไหมเนะี่ยเป็นประเด็นสําคัญนะเพราะเรารู้ในสิ่งเหล่านี้ไหมนะพระพเจ้าไม่ได้บอกว่านะให้เดินช้าๆนะ ให้เดินช้าให้ทำอะไรช้าไม่ได้บอกนะตรงนั้นไม่ได้บอกเลยแต่ว่าให้รู้ไปตามความเป็นจริงที่เขาเป็นนะเหมือกันที่ลมหายใจนี่แหละก็ไม่ได้บอกว่าหายใจอย่างไรให้รู้ไปตามความเป็นจริงเพราะนั้นเดินก็ไม่ได้บอกว่าให้เดินช้าหรือทำอะไรช้าแต่ให้รู้ตามที่เขาเป็นจริงๆรนะหรือบทย่อยนะเขาเรียกว่าสามัญญาปปะนะดื่มกินนะพูดนะคู่แขนเดียดแขนก้มเงยอ่นะ ธงจีวรสังฆาติเดินหน้าถอยหลังเข้าห้องน้ําอุจจละปัสสาวะต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นอิบบท ย, ย่อยหรือสัมพัญญยประภมันก็คือการตามรู้ในอิบทย่อยทั้งหลายแหล่นั่นเองนะไม่ว่าเราจะก้มจะเงยจะหันเลี้ยวซ้ายแรงขวาเดินหน้าถอยหลังต่างๆเข้าห้องน้ําอุจจละปัสสาวะเราจะเปลี่ยนเสื้อผ้าต่างๆเหล่านี้ก็ให้เรารู้ตามไปตลอดเลยนะ นะก็หมายความว่าให้เรารู้ในทุกๆิกบททั้งใหญ่และย่อยนั่นเองนะคราวนี้ก็อย่างที่ว่าอีกนะเวลาเราทําอะไรนะในการคู่แขนเหยียดแขนอเดินก้าวหน้าถอยหลังอะไรทั้งหลายแหล่่อนะทรงจีวรสังขาติก็ไม่บอกให้ให้ทํำช้าๆอีกนะไม่ได้บอกให้ทํำช้าเลยแต่ให้ทําไปตามที่เขาเป็นจริงๆตามธรรมชาติจริงๆแล้วเราก็มีหน้าที่คอยตามรู้ไปเท่านั้นเองใช่ไหมนะ ขณะนี้เมื่อเรามาตามรู้เราเนี่ยเราก็จะเห็นสภาวะหลายๆอย่างเกิดขึ้นใช่ไหมเห็นว่าเออนะการที่เราตามรู้เราเราเนี่ยเป็นการตามรู้กายแต่เราก็กลับไปเห็นจิตด้วยนะกลับไปเห็นจิตด้วยนะมันก็ไล่ไปตามลําดับน ะ, ะเวลาถ้าเราไปบัตดแม้แต่ใน อ, อบทแยกแรกนี้คือในทางกายก็จริงนะแต่เราเห็นความปวดเมื่อยปรากฏขึ้นมาใช่ไหมเรานั่งนานๆเนี่ยใช่ไหมมันก็ นั่งนั่งปฏิบัติมันก็มีความปวดเมื่อยปรากฏขึ้นมานะเราก็มีความพอใจไม่ละ่ะใช่ไหมเราก็ไม่พอใจในความปวดเมื่อนี่ก็เป็นเวทนาอย่างหนึ่งแล้วนะครั้นี้ตรงเนี้ยพอเรามีความเช่นนี้มีความทุกข์ขึ้นมาในทางกายใช่ไหมเราก็ต้องเปลี่ยนบทจากการเดินขึ้นมานั่งเนี่ยมันเป็นเวทนานะครั้นี้เมื่อเปลี่ยนปั๊บเนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนด้วยความพอใจแต่เปลี่ยนด้วยความเข้าใจว่าเราเปลี่ยนเพื่อแก้ทุกข์ต่างหากนะมันเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้ว แล้วเราก็แก้ทุกข์ในตรงนี้มันก็จริงๆก็คือตรงนี้เราก็เห็นทุกข์อีกครั้งหนึ่งว่าเออมันทุกข์จริงๆนะการนั่งเฉยๆนี่แหละเห็นไหมไประเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปเดินจงกรมนะเดินไปสักชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงมันก็เมื่ออีกแล้วนะนี่เห็นไหมความทุกข์ปรากฏขึ้นอีกแล้วเห็นไหมมันมีความทุกข์ขึ้นมาขึ้นมาเราก็ทนไม่ไหวนะก็ต้องกลับมานั่งใหม่นะครัน้นี้เปลี่ยนเพราะว่าอะไรเพราะเราเห็นแล้วว่าเออมันต้องมีความทุกข์แล้วเราก็เป็นการแก้ทุกข์ ก็เปลี่ยนมากลับมานั่งอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมเพราะเราเป็นทนในภาวะเดิมไม่ได้นะเนี่ยนี่คือความทุกข์อีกแล้วนะจริงๆว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นตลอดเวลานั่นแหละอยู่เราจะเห็นเขาไม่ต่างหากนะเนี่ยมันเป็นสภาวะที่เราสามารถเห็นได้ในเวทนาเวทนาคือความที่เราพอใจเราไม่พอใจหรือว่าเฉยๆเป็นกลางๆนั่นเองนะเราสามารถเห็นได้ถึงสามอย่างเลยนะครั้นี้เมื่อเราปฏิบัติในทางกายนี่แหละเราสามารถไปเห็นจิตเราได้นะ อย่างเช่นว่าเราบางทียกมือซ้ายยังบะ น, นี่แหละหรือเดินจงกรมก็แล้วแต่นะจะเห็นความคิดแล่นเข้าแล่นออกอยู่เรื่อยๆนะมีลมต่างๆเกิดขึ้นนะเราก็จะรู้ทันได้เร็วขึ้นเพราะว่าเราเห็นความคิดแวบไปแวบมาต่างๆเหล่านี้นะเดี๋ยวก็คิดถึงบ้านนะเดี๋ยวก็กลับมาเดี๋ยวก็มีความหงุดหงิดไม่พอใจเราก็รู้ทันแล้วก็กลับมาต่างๆเหล่านี้กลับมาสู่ความรู้สวยครั้งหนึ่ง เพราะฉนั้นะเราก็สามารถที่จะเห็นได้ว่าจิ hm, จตเรานี่มันก็แล่นไปแล่นมาได้แล้วเราก็รู้ทันเขาได้นะเนี mm ่ย hmm. ตรงนี้เป็นประเด็นที่ว่าเราเข้าสู่จิตตาวอ่านุ ป, ปัสนนาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะจิตตานุ ป, ปัสนนาก็บอกไว้ว่าะผู้ใดที่มีราคะก็รู้ว่ามีราคะไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะมีโทสะก็รู้ว่มีโทสะไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะไม่มีโมหะก็รู้ว่ า, มมม า, วามไม่มีโมหะ จิตตั้งมั่นก็รู้จิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นก็รู้จิตไม่ตั้งมั่นแล้วก็มีจิตอีกเยอะแยะเลยนะอันนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกนะว่ามีจิตราคะทําให้หมดราคะมีจิตโทสะทําให้หมดโทสะมีจิตโมหะทําหมดโมหะจิตไม่ตั้งมั่นก็ทําให้จิตตั้งมั่นไม่ได้บอกเนาะแต่ว่าให้รู้ตามความเั็นจริงนะจิตมีโทสะก็รู้มีโทสะไม่มีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะจเป็นต้น เพราะฉนั้นก็คือเรารู้ตามความเป็นจริงนั่นเองนะไม่ใช่ว่าไปทํำให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการนะตรงเนี้เราต้องเข้าใจนะการบัรธรรมนี่ไม่ใช่ว่าเราเราบังคับเขาให้เป็นไปตามเราต้องการนะการที่เราบังคับเขาเช่นจิตไม่ดีทําให้เขาดีจิตไม่สงบทำให้เขาสงบอันนี้นะั่นแหละมันเป็นการบังคับเป็นการกดขม่มแล้วก็พระเจ้าก็ไม่ได้ตัดไว้ตรงนี้เลยแต่ว่าให้รู้ตามความเป็นจริงเท่านั้นเองนะ จิตมีราคะก็รู้มีราคะไม่มีราคะก็รู้ไม่มีราคะนะตรงนี้เราจะเห็นว่าเออ er, มันก็คือประเด็นเดียวกันหมดเลยอย่างที่ว่านาปัญสตินะอรู้ลมหายใจเข้าลม ห, หายใจออกตามที่เขาเป็นอากายยืนเดินนั่งนอนก็รู้ตามที่เขาเป็นไม่ไช้ไปทําอะไรที่ดัดแปลงขึ้นมาเองหรือจิตก็เหมือนกันก็รู้ตามที่เขาเป็ น, ไ ม, ป น, ไ, ปนมไม่ได้ไปทําให้เขาเป็นไปตามเราต้องการนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าธรรมะที่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือเรารู้ตามที่เขาเป็น อันนี้เป็นวิปัสนาะเป็นตามที่เขาเป็นแต่ถ้าธรรมะอะไรไปทําให้เขาเป็นไตามที่เราต้องการอันะนเ้งเราเป็นสมถนะสมถะก็คือไปบังคับไปกดข่มนะไปทําให้เขาเป็นไปตามต้องการนี่ก็คือการที่เราไปจัดการเขาทั้งนั้นเลยนะเป็นการแทรกแซงทั้งหมดการที่เราไปแทรกแซงนั้นเชนะ่นทําไม่ดีทำให้เขาดีเนะี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเราไป บ, าบังคับเขา เราจึงไม่เห็นความจริงในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงนะวิปัสนาคือเราเห็นไปตามความเป็นจริงที่เ็าเป็นแต่เราบังคับเขาเราก็ไม่เห็นตามความจริ ง, รงที่เ็าเป็นนะเช่นเราเรามีความคิดนะเราก็ไปบังคับเขหยุดคิดเลยนะขับไล่ใสส่ง <c oughs> ให้เขาหยุดคิดทันทีนะเพรา ะ, ะนั้นความคิดก็จะดับไปจากฝีมือเรานะเราจะไม่เห็นว่าเขาดับไปเพราะว่าเขาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย เาเกิดแล้วเขาก็ดับเองนะตรงนี้ปเป็นประเด็นสำคัญว่าเราเห็นไหมว่าเขาเกิดแล้วก็ดับเองหรือเรามีความโกรธเกิดขึ้นแล้วนะเราก็พยายามที่จะไปบังคับกดข่มความโกรธอย่าให้เกิดขึ้นนะดับไปทันทีเลยนะเขาก็ดับไปเหมือนกันนะแต่ว่าดับด้วยฝีมือเราเราไม่เห็นว่าเขาดับด้วยตัวเขาเองนะตรงนี้เราจึงไม่เห็นความจริงในความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสภาวธรรมทุกอย่าง นะสภาวธรรมเป็นสิ่งเราจะต้องเข้ามาเห็นด้วยตัวเราเองว่าทุกอย่างมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนะถ้าเราเห็นในตรงนี้ได้นะจิตก็จะเข้าใจว่าเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้ <c oughs> ถ้าเราบังคับบัญชาเขาได้นะอเราก็จะต้องกลายว่าฝีมือเราทําได้ทุกอย่างนะเราทําจากไม่ดีทําให้เขาดีได้เนี่ยทำํำให้เขาไม่สงบทำให้เขาสงบได้นะเขาโกรธทําให้เขาไม่โกรธได้นี่มันเป็นฝีมือเราแล้วนะกลายว่าโตตนของเราเนี่ยเราเก่ง เราบังคับบัญชาเขาได้มันจะตรงข้ามกับที่พระเจ้าได้บอกไว้ว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังนักตาอา น, นักตาก็หมายความว่าไม่ใหตัวไม่ตนบังคับบัญชาไม่ได้แต่ถ้าบังคับบัญชาเขาได้แล้วเนี่ยจะมาก็แสดงว่าเรามีตัวตนที่สามารถที่าาทไปทําสิ่งต่างเราเหนี่ยวนี้ได้เพราะฉะนั้นกลายว่าเราแทนที่จะเข้าใจว่ามันไม่ใหตัวไม่ตนก็กลายเป็นว่าเรามีตัวมีตนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง นะเพราะฉนั้นก็พระเจ้าเลยให้เรารู้ไปตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนะไม่แต่ความโกรธนะความโกรธนี่เขาก็เกิดขึ้นแล้วนะเขาต้องดับไปแน่นอนใช่ไหเขาไม่ตั้งอยู่นานจริงๆหรอกใช่ไหนะครนี้เราจะทนได้ไหมว่าเมื่อเขาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราสามารถรู้เฉยๆได้ไหมนะรู้เฉยๆแล้วเขาก็ดับให้เราเห็นนะไม่ใช่ว่าเา รู้เฉยๆแล้วเขาไม่ดับเราก็ไปทําเป็นคนดับอันนี้มันก็เป็นการแซงแซงอีกนะเป็นการบังคับเขาเป็นสมถายครั้งหนึ่งนะแต่ถ้าเราใจกล้าลองดูความโกรธขึ้นแล้วนะ and, <alguns S 2> ขนวเขาก็ตั้งอยู่ของเขาแล้วเขาก็ต้องดับไปอย่างแน่นอนนะเพราะทุกสภาวธรรมเกิดขึ้นแล้วต้องดับไปแน่นอนเพราะว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนิตนะเข้ามาแล Verse ้วไปนะตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญที่ว่าเรากลับมาเห็นในตรงนี้ไหมนะถ้าเราเห็นบ่อยๆแล้วเราก็จะเข้าใจความจริงของสภาวธรรมว่านะทุกอย่างเข้ามาแล้วก็ไป ทุกอย่างมาแล้วก็ไปแล้วเราก็บังคับบัญชาเขาไม่ได้เนี่ยตรงนี้มันจะเป็นการคลายความยึดติดนะพอกลับมาเห็นถึงสภาวธรรมที่เราไม่อาจจะบังคับบัญชาสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เลยนะจิตก็จะได้คลายอยู่ความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนของเราเมืนะ่อคลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนแล้วนะความยึดติดต่างๆในความเป็นกายและใจว่าเป็นตัวเราก็จะลดน้อยลงนะหลังนั้นความทุกข์ก็จะลดน้อยลงไปด้วยเพราะเหตุอะไรนะเพราะว่าเมื่อเราไปรักใครไปชอบใครก็แล้วแต่นะ หรือเราไปผูกพันกับใครเราก็จะทุกข์จากคนนั้นนะแต่ถ้าเราไม่รักใครไม่ผูกพันใครเราก็ไม่ทุกข์เพราะคนนั้นเพราะนั้นเมื่อเรารักกายเรานะเรายึดมั่นในกายเราเป็นของเราเราก็ต้องทุกข์เพราะกายเราจิตเราแต่เมื่อเราไม่รักเราไม่รักในตัวเราไม่ผูกพันไม่ยึดมั่นในตัวเราแล้วเราก็ไม่ทุกข์ในตัวตนนี้เช่นกันนะพระเจ้าได้ทรงตัดไว้ว่าในการจริงๆแล้วก็คือ <c oughs> ให้เราละ จะ ก, การยึดมั่นในทรัพย์สิงทั้งปวงนะโดยพระตัวตนของเรานี่แหละถ้าเราละในความยึดมั่นในตัวตนนี้ได้แล้วมันก็จะทําให้เราละอสิ่งต่างความยึดมั่นหรือกิเลสต่างๆก็จะพอยลดน้อยลงไปด้วยเหมือนในสังโยชน์ทั้งสิบสังโยชน์ทั้งสิบนี้ <c oughs> ก็คือความที่เรียก ว, ว่าเป็นสังโยชน์ที่ยึดเหนี่ยวเรานะเป็นการที่เรีา ว, ว่าเข้าผูกพันใจของเราให้หลงติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้ นะถ้าผู้ใดที่ละสังโยชน์ตั้ง1ิบได้ก็เป็นพระหรหันต์ได้นะสังโยชน์ตัวแรกก็คือให้ละสักกายติถินั่นเองนะก็คือละจากความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนในร่างกายนี่แหละนะเพราะเมื่อเราละตัวนี้ได้เป็นด่านแรกแล้วตัวอื่นก็สามารถที่จะละได้ไม่ยากมันก็จะละตามมาหมดเลยนะแต่ถ้าเรายังละสักกายยติิไม่ไดนะ้ตัวอื่นๆนะกินอลไตัวอื่นเราก็ไม่อาจจะละได้เลยนะ เพราะนั้นปร ะ, ประการแรกเนี่ยก็คือเรามาเข้าใจในตรงนี้นะนะเพราะนั้นการบัติธรรมก็คือกลับมาเห็นในตรงนี้นั่นเองบ่อยๆนะบางทีเราก็เป็นความคิดนะว่าร่างกายไม่ใตัวไม่ตนของเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะต่างๆเ ป, เป็นความคิดที่เราเคยฟังมาให้เราฟังร้อยครั้ง10ครั้ง10ื่นครั้งแสนครั้งมันก็ละไม่ได้หรอกใช่ไหมมันไม่เข้าใจนะแต่ประเด็นก็คือเราต้องทําให้เข้าเห็นบ่อยๆนะนะเป็นการที่เราเห็นไม่ใช่ใช้คิดเอา ถ้าคิดเอาวมั น, มน ไ, มไม่ได้นะป่านนี้ใครๆคิดดาวอ่านหนังสือมันก็สําเร็จกันทุกคนนั่นแหละแต่ว่ามันต้องกลับมาเห็นอมาเข้าใจในตรงนี้บ่อยๆนะก็ก ล, กลับมารู้ที่กายนี่แหละเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนักตาไหมนะเราไปบัรธรรมเมื่อวานนี้เราดีนะเมื่อวานนี้มีสติบ่อยๆนะแต่พอวันนี้เไปบัตรรมแล้วไม่ค่อยมีสติเลยนะมันไม่รู้หลงหายไปไหนนะมันคิดเยอะแย ะ, ยะเห็นไหมว่ามันไม่เที่ยงใช่ไหม แทนที่ไปมีความทุกข์เออทําไมมันไม่ดีนะกลับมาเห็นว่าเออมันเราบังคับเขาไม่ได้นะเขาจึงไม่เที่ยงใช่ไหมเห็นในตรงนี้นะมันจะได้ประโยชน์มากกว่าใช่ไหมออไปบัตรแล้วมันต้องเปลี่ยนอิบอดต่างๆเรานี่เห็นไหมว่านี่เป็นการที่เราทนในภาวะเดิมไม่ได้ไม่จึงต้องแก้ทุกข์ไปบัติแล้วโอ้มีความคิดเยอะมากเลยนะเดี๋ยวคิดเรื่องนูน้นเดี๋ยวคิดเรื่องนี้ไม่หยุดเลย ถ้านะจะไปคิดว่ามันฟุ้งฟุ้งซ้ายไม่ดีนั่นมันแย่จังเลยปฏิบัติทำแล้วทําไมฟุ้งซ้ายเยอะขนาดนี้นะยิ่งเราปฏิบัติเราเห็นความคิดว่ามันคิดเยอะจังเลยนะเห็นไหมว่าเราบังคับเขาไม่ได้นะความคิดเขาทํางานของเขาเองนะบังคับเขาไม่ได้เลยนะตรงนี้เ ม, มื่อมักลับมาเห็นนะอ น, นิจจังทุกขังตาเนี่ยเราจิตก็จะค่อยๆปล่อยค่อยวางเองนะตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญ นะเพราะการปฏิบัติธรรมทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นแนวเจริญสติแนวเจริญสมาธิหรือวิธีการใดๆในโลกนี้ปฏิบัติธรรมทั้งหมดจริงๆก็เพื่อให้เห็นปัจจัยลักนั่นเองให้เห็นว่าเป็นความไม่เที่ยงเป็นความทุกข์ทนในสภาวะเดิมไม่ได้เป็นไม่ใชิดตัวไม่ตนของเราบังคับบัญชาไม่ได้ตรงเนี้ยถ้าเรากลับมาเห็นตรงนี้ได้ปุ๊บมันเป็นการเรียกว่าเราเปลี่ยนทิฏฐิใหม่นะเป็นการเปลี่ยนทิฏฐิใหม่ก็คือเปลี่ยนอย่างไรนะ เป็นอย่างเมื่อก่อนที่เราเคยคิดว่าเราบังคับบัญชาตัวตนเราได้เป็นตัวเป็นตนของเรามันก็จะเริ่มเบาลงมันน้อยลงเป็นการเปลี่ยนนะเพราะเราเปลี่ยนทิฏฐิในตรงนี้ได้ปั๊บเนี่ยมันเป็นความเข้าใจที่เกิดขึ้นแล้วว่ามันไม่ตัวไม่ตนของเราและหลังจากนั้นนะมันจะไม่กลับมายึดตัวตนนี้ใหม่ว่าเป็นของเราการที่เราเข้าใจเช่นนี้มันเป็นการเปลี่ยนทิฏฐิเปลี่ยนทิฏฐิปั๊บเนี่ยมันก็จะเปลี่ยน สิ่งตางที่ตามมาก็คือความยึดมั่นถือมั่นมันจะไม่กลับมายึดมั่นอีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นต่อไปมันจะเป็นการปล่อยการวางตลอดเลยนะแต่เราไปบัติธรทำแล้วมันไม่เข้ามาสู่จงตรงจุดนี้ไม่เข้ามาสู่ตรงจุดที่ว่ามันไม่ให้ตัวไม่ตนของเราบังคับบัญชาไม่ได้มันไม่เข้ามาสู่ตรงตรงนี้เราก็จะมีความทุกในการปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆว่าเออทำไมมันไม่ดีถาวรนะทําไมมันไม่เป็นไปตามเราต้องการทําไมประวัติสิบปีแล้วมันไม่ก้าวหน้าเลยเพราะอะไร เพราะว่ามันยังมีกิเลสอยู่เยอะแยะเลยมีความโลภความโกรธความหลงเต็มเต็มหัวใจนะมันก็จะมีความทุกข์จากการบัรธรรมไปบัตรมาต้องหลายปีมันไม่มีความก้าวหน้าเพราะว่ามันยังมีกิเลสอยู่นะตรง น, นี้เป็นความเข้าใจผิดของเราเนาะถ้าเราเข้าใจถูกแล้วที่พระเจ้าได้ทรงตัดไว้ว่ารูปเวนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ตัวไม่ตนเพราะอะไรสิ่งเหล่านี้นะไม่ใช่ว่าเราไปคอยละเขานะไม่ค่อยไม่อาคําว่ารูปเวนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือการ ใ, ใจเนี่ยไม่ใช่เราไปคอยละเขา แต่ว่าเขาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราตั้งแต่ต้นแล้วนะเมื่อไม่ใช่ของเราตั้งแต่ต้นแล้วเราจึงไม่ต้องไปละความเป็นตัวตนแต่เป็นการถอดถอนความเข้าใจผิดว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเท่านั้นเองนะเมื่อเราถอดถอนตรงนี้ได้นะกิเลสต่างต่างก็จะหมดไปด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่ของเราตั้งแต่ต้นเหมือนกันเพราะนั้นกิเลสก็จึงไม่ใช่ของเราตั้งแต่ต้นความโลภความโกรธความหลงก็ไม่ใช่ของเร า, าตั้งแต่ต้นนะเพียงแต่เราถอดถอนความเข้าใจผิดว่าไม่ใช่เราแล้วเขาก็จะออกไปเองนะไม่ไปยุ่งอะไรเขาเลย น ะ, ะครั้นี้เราว่าเรามีกิเลสอยู่นะเราก็มีความโลภความโกรธความหลงอยู่อันนี้นะมันเป็นเรื่องที่ว่าตรงเนี้ยเราต้องเข้าใจนะว่าจริงๆแล้วเมื่อไกลเมื่อใจไม่ใช่ของเราแล้วเขาจึงไม่ใช่ของเราด้วยนะเพราะฉะนั้นความโกรธน ะ, ะถ้าเป็นของเราแล้วก็เราอยู่กับเรานานๆอยู่นานๆไม่ไปไหนใช่ไหมแต่ว่าเขามาแล้วก็ไปนะอันนี้แสดงว่าเขามาตามเหตุตามปัจจัยมากกว่า นะความโกรธนี่จริงๆแล้วพวกเราเป็นนักปฏิบัตก็รู้อยู่แล้วแล้วมันเป็นสิ่งไม่ดีนะเป็นสิ่งไม่ดีมันเป็นสิ่งที่นําความทุกข์มาให้เรานําความเดือดร้อนต่างๆให้เราเรารู้แน่นอนเลยว่ามันไม่ดีแต่ทําไมเข้ามาล่ะทั้งทั้งเดียวเรารู้ว่ามันไม่ดีนะก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่มันกระทบกาลโยอง อ, ว, อวัยะเราวางอายรนาภายนัยและภายนอกเมื่อกระทบเกิดขึ้นแล้วนะอเมื่อเป็นความกระทบแล้ว เราไม่ชอบใจในตรงนั้นเกิดขึ้นมามันก็นําความไม่พอใจความโกรธต่างๆตามมาด้วยนะสิ่งเราได้เป็นการกระทบกันของอายรนะเกิดขึ้นมันไม่ใช่เรานะอายรนาก็ไม่ใช่เราสิ่งภายนอกก็ไม่ใเราแต่มันกระทบกันแล้วมันกเกิดบางอย่างเกิดขึ้นเพราะมันเป็นการปรุงแต่งตามมาโดยเรารู้ไม่ทันต่างหากนะเมื่อมันรู้ไม่ทันมันก็เลยการปรุงแต่งความไม่พอใจขึ้นมาเป็นเวทนาความไม่พอใจทุกเวทนาเกิดขึ้นมาเนาะ อันนี้นะถ้าเราไปปบัติทำแล้วเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วนะเมื่อเรามีสติแล้วนะมีความรู้สึกตัวแล้วใจจะเริ่มเป็นกลางนะเป็นกลางก็เพราะว่ า, าเขาจะเริ่มที่จะเป็นปกติได้นะเป็นปกติได้เราจะสังเกตจิตเขาไปปกตินี้แล้วนะสังเกตได้บ่อยๆนะการบัติทำไม่ให้ให้จิตสงบนะแต่ว่าให้จิตเป็นปกติมากกว่าปกติเพราะว่าอะไรเพราะเราเริ่มมีสติแล้วมีสติในการรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆในการเท่าทันความคิดต่างๆจิตจะเป็นปกติได้เร็ว พอจิตไปปกติได้แล้วเนี่ยมันเป็นสภาวะอย่างหนึ่งที่เราสังเกตได้นะพอจิตไม่ปกติปับ๊บมีความโกรธปุ๊บเรารู้ทันทีเลยนะรู้ทันทีปุ๊บมันเป็นอย่างไรกลับมารู้สึกตัวปุ๊บความโกรธก็เลยกลายเป็นกลางๆไปนะก็คือมันก็ไม่ได้ปรุงแต่งต่อน ะ, อะเขาจะอยู่อย่างเกา่าแต่เขาไม่ปรุงปรุงแต่งต่อเขาก็เป็นกลางๆนะเห็นไหมตรงเนี้ก็คือทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเป็นกลางๆได้นะเพราะฉะนั้นความโกรธนี้นะเราอย่าไปกลัวเขา นะเพราะมีสติรู้เท่าทันปั๊บนะเราแค่รู้เฉยๆปั๊บเนี่ยเขาก็เป็นกลางๆเขาเองนะแต่เขาอยากเขาดับไปโอ้ความกดไม่ดีนะดับไปไปบังคับเขาไปกดข่มเขาจริงๆแล้วเขาไม่ได้ดับหรอกนะอันนั้นคือการให้ค่าเขาแล้วนะต่อไปนะยิงบังคับเขานะเขายิ่งอยู่กับเรานานเลยอยู่กับเรานานนะเราไปบังคับเขาไม่ได้นะตรงเนี้หน้าที่ของเราเมื่อเรารู้ทันความคิดแล้วรู้เท่าทันอารมณ์แล้วมันประเด็นแรกนะให้รู้เท่าทัน ความคิดรู้ทัศนอารมณ์เช่นความโกรธประการต่อมาก็คือรู้เฉยๆนะรู้เฉยๆก็พอแล้วครูบาอาจารย์นะหลวงพ่เทียนหลวงพ่อคเกตบอกว่าให้รู้เฉยๆรู้เฉยๆรู้ซื่อๆนี่แหละเช่นความโกรธขึ้นเกิดขึ้นแล้วท่านบอกให้เรารู้เฉยๆก็คือไม่ต้องไปขับไล่ใสส่งเขาไม่ต้องไปบังคับให้เขาหมดไปนะแล้วก็ไม่ต้องไปให้เขาอยู่กับเรานานนะแค่เรารู้เฉยๆแล้วนะเขาก็ไปเองนะเขาอยู่เราไม่นานหรอกใช่ไหม เหมือนก็แขกมาบ้านเรานะพวกนี้เป็นความกดมันก็แขกเท่านั้นจริงบอกไม่ใช่เราเนีความกดแม่งเราแต่เป็นแค่แขกเท่านั้นเองนะถ้าแขกมาเยี่ยมเราแล้วเนี่ยเราไปต้อนรับดูแลเขาอย่างดีนะเขาก็จะอยากมาเยี่ยมเราบ่อยๆใช่ไหมมาเยี่ยมเราบ่อยๆเพราะเราไปให้ค่าเขานะแต่ถ้าเขามาแล้วเรารู้เฉยๆนั่นเราก็ไม่ไปไล่เ้าหนีนะเราก็ไม่ไปต้อนรับเขาเขามาเขาก็เตื้อเขินเขาก็ไปเองนะไปเองเลย เพราะนั้นเรารู้เฉยๆได้ไหมนะรู้เฉยๆนี่มีประโยชน์เยอะเลยนะจะเห็นว่าเออพอเรารู้เฉยๆปั๊บนีนะ้เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วนะถ้าเราไปใบบังคับเขาเขาก็ดับไปเองในเราเห็นสภาวะว่าว่าเขามาแล้วก็ไปเขาเกิดแล้วก็ดับเองนี่เป็นการเห็นสภาวะของปัตไยลักษณ์นะและอีกอย่างหนึ่งพอเรารู้เฉยๆปั๊บเนี่ยจิตมันก็จะจําสภาวะทําทได้แม่นยำโอ้เป็นอย่างนี้เองนะจิตมันจะค่อยๆเรียนรู้ว่าความโกรธเป็นเช่นนี้นะคือการเรียนรู้จิตมันจะรู้ว่าความโกรธเนี่ยมันเป็นความทุกข์ขนาดไหน มันก็ต่อไปจิตนก็ไปตื่นเตเองมันก็ไม่เอามันก็เบื่อนายมันก็ไม่อยากที่จะมีความโกรธเช่นนั้นอีกเพราะรู้แล้วว่าความโกรธเป็นความทุกข์นะอันนี้เป็นการเรียนรู้ของจิตนะอ่าแล้วเราก็เห็นตภาวะธรรมเราเนี่ยที่ เ, เกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปในบ่อยๆนะจิตก็จะเกิดการคลายนะความยึดถือในสรรพสินทั้งหลายว่าจริงๆแล้วนะมันไม่ตัวไม่ตนไม่ใช่อะไรที่เป็นสิ่งเราจะบังคับเขาได้เลยจิตก็จะเกิดการปล่อยการวางการไม่ยึดติดมากขึ้นเรื่อยๆนะตรงนี้จะทําเราพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริง เพราะนั้นการที่เราจะพ้นทุกข์แล้วไม่พ้ไม่พ้นทุกข์ก็คือเรากลับมาเห็นบ่อยๆกลับรู้บ่อยๆนะไม่จะไปคิดไปฟังเอาไปอ่านเอาอันนั ally, ้นไม่ไ so ม่พ้นทุกข์แน่นอนนะกลับมารู้บ่อยๆกลับมาเห็นบ่อยๆนี่แหละจิตจะเริ่มเข้าใจในสิ่งที่เขาเห็นแล้วรู้บ่อยๆแล้วหลังนั้นเขาจะค่อยๆที่จะปล่อยจะวางในตัวเขาเองนะเพราะนั้นการที่เรามาเจริญสติในครั้งนี้ก็ให้ถือว่าเรามาทําเพื่อให้เราเข้าใจความจริงในความเป็นไปของตามความเป็นจริง อ่สภาวธรรมตามความจริงไม่ใช่เราไปคอยบังคับกดข่มเขาเนาะอ่าสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เราเข้าใจในกายและใจของเราได้อย่างชัดเจนขึ้นนะเอาล่ะในท้ายสุดนี้ก็ขอรัฒนาบารมีคุณพระตาตจให้ทุกท่านจเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกได้โดยเราเรพันทุกทุกท่านเทิด